14. โลภะเจตนาทำให้เกิดการกระทำกรรมวงเล็บเปิด19ตุลาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที21วงเล็บปิดในหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้ง2หลวงพ่อพูดถึงคําว่าโลภะเจตนาอยู่ท้ายๆเรื่องโลภะเจตนานี่ดูยากมากเลยมันเป็นความจงใจที่เจือด้วยความอยากมันจะทำให้เกิดการกระทำกรรมคือการทำงานทางใจ เพราะฉะนั้นตัวโลภะเจตนานี้มันทําให้จิตใจเราปรุงแต่งปรุงการปฏิบัติขึ้นมาตราบใดที่เรายังปรุงการปฏิบัติเราจะเข้าสู่มรรคผลในขณะนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าความปรุงแต่งยังดําเนินอยู่ให้เรารู้ทันความจงใจที่เจือด้วยโลภะนี้ถึงความจงใจใดๆทางใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาความจงใจทางใจซึ่งเจือด้วยสัญญาจงใจแบบรู้ตัวว่าจงใจอ ย, อย่างนี้แหละอันนี้แหละทําให้เกิดการกระทํากรรม เพราะฉะนั้นถ้าจงใจทางดีก็เจอด้วยโลภะนะลึกๆนะจงใจในทางไม่ดีก็เจอด้วยโลภะอยู่ลึกๆหรือเจอด้วยโทสะถ้าจงใจขึ้นเมื่อใดก็เกิดการทํางานจิตจะหมุนเวียนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดิ้นรนเดี๋ยวก็ประคองไว้เดี๋ยวกดไว้เดี๋ยวกระโจนวิ่งไปจับอารมณ์เดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เกิดการทํางานขึ้นมาทุกคราวที่เกิดการทํางานขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นให้เรารู้แต่ไม่ให้เราละรู้การทํางานของเขา ไม่ละละนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญามีหน้าที่ละปัญญามีหน้าที่ตัดเรามีหน้าที่รู้สติมีหน้าที่ระลึกเท่านั้นเองระลึกด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิถ้ารู้แล้วใจไม่เป็นกลางเรียกว่าไม่มีสัมมาสมาธิถ้าปราศจากสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดสภาวะก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละมันตัดไม่ได้จริงเท่าใดหรอก เพราะปัญญาจะเกิดร่วมกับสตินะแต่สติเกิดตัวเดียวก็ได้ไม่มีปัญญาก็ได้นี่ธรรมะมันประณีตค่อยๆเรียนไปแต่ธรรมะที่หลวงพ่อพูดฟังดูเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะมันมาจากการรู้อันเดียวรู้ลงไปที่ตัวเองนี่แหละรู้กายรู้ใจแล้วธรรมะทั้งหลายมันจะแสดงตัวออกมา